ทำไว้ในใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไว้ในใจในมรรคผลที่ผ่านทำไว้ในใจในศีลทานภาวนาทำไว้ในใจในดินน้ำลมไฟทำไว้ในใจในที่อยู่อาศัยเรื่องนองห่มยารักษาโรคทำไว้ในใจแล้วก็มีพี่ไม่นอกมีหอกมีพื่อนผงมี บราญาติโยมเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยออยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> ได้มีโอกาสประพฤติรำในไรลู่ทำได้ลูรทมได้มีทรรมได้สร้างกุศลได้ทำดีอะไรที่เราจะต้องช่วยในโลกนี่มีมากมายคนที่ไม่มีโอกาสได้ รับความช่วยเหลือก็มีสิ่งได้ไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือก็มี เ, เราอยู่เย็นเป็นสุ ข, ของกรช่วยโน่นช่วยนี่นั้นเราที่มาวัดสายสุขโทมีโอกา ส, สมาปฏิบัติธรรม <c oughs> ทำโน่นทานี่ช่วยเพื่อให้ เ, เป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีได้ปฏิบัติธรรมและได้รู้ธรรม บรรลุธรรมเราก็จะได้ไปบอกไปสอนผนเทียงไว้ลูกให้เกิดความรู้ใหเขาได้มีความดีให้เขาได้ช่วยชาติให้เขาได้ช่วยาศาสนาให้เขาได้มันลุทธรรมไปเรื่อยๆนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่คิดไว้ในใจไม่ใช่เพื่อลับสักระเสียงเสือนยนยอไม่ใช่เพื่อมีพวกฟ้องบริวารไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่น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 อยาให้เป็นความรู้สึกตัวดุนดุนก็ต้องมีความสำรวมในอินทรีย์สังวรอินทรีย์ไม่พูดก็อย่าพูดไม่ดูก็อย่าดูไม่คิดก็อย่าไปคิดเลยมากแต่สำรวมอินทรีย์ก็ทำไว้ให้แยบคลายไม่อยู่ในโสมนัสิกการตรีตองให้อยู่ในความแยบคลาย ยาผลผันผันแล่นยาดวนรับยาดวนปริเสธมันมีความแยบคายก็มีศรัทธาไม่มีศรัทธาด้วยทำอะไรถ้ามันมีศรัทธามันก็หวนกลิ่นโคกขึ้นเขายงยงยากยากโนนโนนนี่นี่นะไม่มีศรัทธามันก็ไม่กล้าวหน้าหรอกไม่แต่ถอยหลัง ต้ศรัทธาว่าทำดีมันก็ดีทำชั่วมันก็ชั่วเรามาสร้างสติเราทำดีผ่านนี่แล้วคนที่มีสติเนี่ยมายกมือสร้างจาังหวะมันผ่านอะไรมามันผ่านชั่วมันผ่านปัญหามาเยอะแยะปวดที่จะมาลู่สตัวเนะนี่ยเราก็เห็นศรัทธามีศรัทธาก่อนที่เราจะมีศรัทธาก็ต้องออ <c oughs> ครบบัณฑิต มีพูดบอกผูดสอนมีพูดเล่ามีพูดทำให้ดูมีความอยู่ให้เห็นมีความสขให้ดูบ้างให้ได้ครบกับบุคคลประเภทนี้บ้างอยากคบแต่คนพานอยากคบแต่คนเยเลบางทีมันมีบัณฑิตอยู่ทั่วทั่วไปในโลกนี่อยากกำหมั่นพิจารณาเมื่อครบบัณฑิตแล้วก็ ฟังสัตย์จะทำบ้างสัตย์ทำบ้างบัณฑิตข่าวสัตย์จะทำอะไรเขาฟังบ้างสัตย์จะตามบ้างเอามาทำบ้างไม่ใช่ในแต่สตินะ <c oughs> เริ่มต้นจากก บ, บัณฑิตเราก็ฟังทำฟังทแล้วก็มีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มีความําไว้ในใจมีสติ ตอนมีสติมันเริ่มแล้วกว่านะเริ่มจะลบแล้วกว่านะลบกับนิวรณธรรมลบจากที่วรณธรรมก็ลบจากาวิชาลบจากวิชาก็เกิดวิชาขึ้นมาแต่เนี่วิชามันห่อหุ้มโลกอยู่ความใหม่โูกความใหม่โลกโใน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 เราไม่ลู้ลู้ก็ลู่พิษเราก็บุกเบิกมีสติฐานของที่จะลบกับวิชาคื อ, อ ท, ทั้งต้นจากสติลบในวอนลบในวอนได้แล้วก็อวิชาก็เปิดแพร่พ่ายแพร่ไปเลยพ่ายแพยร่ไปลยอันจะมีแต่สติล้วนก็แต่ว่าต้องมีศรัทธา บางทีถ้าไม่มีจัทวาก็หยุดแล้วกลับบ้านจอยโกรธแล้วคิดแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไปโน่นดีกว่าไปนี่ดีกว่าสนุกสนานดีกว่าเปิดเทินที่ไหนไปที่นั่นดีกว่าดิดสีทีเว่าที่ไหนที่นั่นดีกว่าเท่งที่ไหนไปที่นั่นดีกว่าว้ายเพื่อนเไปเข้าสู่ดงอวิชา ไปชาคือป่าของชีวิตมันมืดนะที่ใดไม่ป่ายาประมาาเสือบาดมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวานใครเดินผ่านไม่ระวังมีมังวังตายนะที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหาอาวิชาความไม่รู้พื่ให้ลงไหลแม่เสืองามตันหาพมนักใดในต่อเมื่อใดข่าเสือได้สบายเอ้ย คือไม่มีเอาวิชาไม่มีวิชาเสือก็ไม่มีมันมีวิชาแล้วเหมือนป่าสุกระโทแล้วนี่แหละกพมีป่ายังมีงูพิษมีอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะโดดเลยมีเห็บมีบุ่งมีทากสมัยก่อนเรานอนต้องเอาต้นบักแดงเอาต้นบักแดงมาปูต้นเลีวมาปู โลกธาตุเค็บมันจึงไม่ขึ้นเพราะไม่ป่าที่ป่าป่าภาษาโลกๆลกป่าในใจเราวนี่ในชีวิตเราวนี่ยคือวิชาก็าไม่รู้แล้วนะมันบ่งการเราอยู่เราจะต้องมีสติอ่ารู้สึกตัวฟาไม่เกิด ข, ขึ้นเพราะนิวรณ์เราทนิวรน์เราทำมันเป็นสิ่งที่ขวงกัน้นของง่วงเงาเหานอน ความคิดพุ่งซ่านความเมตตสงสัยพยาบาทเันนียมันมันเต็นแต่ทางมันจะสร้างให้ป่าเกิดมันทําให้ลบมันลบก็มีป่าเราจึงมีสติตรงเข้าไปหานิวรณ์เราทำมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอมีสติวินิวรณ์เราทำก็ขวางกันอยู่เรื่อยขวางกันอยู่เรื่อยคิดหน้าคิดหลังลังเลสงสัยนะพยายาม ถ้ามันไม่มีสติก็ทำอะไรก็ไม่ได้ของเกิดศรัทธาอย่าหลุดไปเลยศรัทธาเขําจุนหนุนไว้เออข่าวเ่ก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามนะจะพยายามทําไว้ในใจปฏิบัติอยู่ทําตามอยู่ทําในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่บางทีอาจจะเดินจะขมไอยไว้อาจจะส้่งจะว่าไม่ไหวอาจจะนอนทําในใจทําตามอยู่ปฏิบัติตามอยู่ทําในใจอยู่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 อะไรต่างๆดูแลมันจริงจังนั่นยาสร้างสติดุ่นๆให้มีศรัทธามีการสำรวม sea, อินทรีย์ยู่ในโสมาศสิการติดตองค่อยรดูอยู่เรื่อยๆให้หนักแน่นอย่าผลพั น, นอย่าวู่วามให้คบกับสัตบุรุษผู้ที่จะปอก ส, สอน แล้วฟังคำสอนของท่านเรียกว่าสัา์ธรรมสัจธรรมเป็นธรรมที่ทำได้ปฏิบัติได้ไหมเช่นพระพุทธเจ้าของเราใครได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพทเจ้าก็มกักจสอนดูกนดูก่อ น, ด, อนดูนี้ดูนี่นะดูนี่ดูนี่ลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง เห็ญาณไม่เที่ยงรูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเสียงไหนไม่เที่ยงสิยงไหนเป็นทุกข์สียงไหนเป็นทุกข์สิยงนั้นไม่ใช่ตัวตนเสิยงไหนไม่ใช่ตัวตนเสิยงนั้นไม่ควรไปยึดไปถืออ่าถามไปฟังไปพระสงค์สาวกของพระพูทมีพระภาคเจ้า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 มีศาสนธรรมกันละยาณมิตรกันละยานะธรรมต่อตัวเองมันมีมันมีมันมีหลักอยู่ดอกเวลามันโกรธก็มีหลักอยู่ทําไว้ในใจอย่าเพิ่งพูดในเวลาโกรธอย่าให้โอกาสความโกรธร้อยเปอร์เซ็นเฉลี่ยมันลงบ้างวักไว้บ้างเว้นวักไว้บ้างอยาให้มันพื้นไปเว่นวักไว้บ้างยนโจทย์เย็นๆมาเรียกว่า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 ตรงกันข้ามอยู่เช่นเจ้าสิทธธัตเห็นเกิดแจ็บเจเ็บตายพ้องก็มองตรงกันข้ามนะมองไป ม, งมาเห็นสมณะมีโอกาสวันที่เป็นอย่างนั้นพอเห็นเช่นนั้นแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะดําเนินชีวิตไปนะคิดดีๆคิดหน้าคิดหลัง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 อันนี้สิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยหลับสบายเย็นความรักพาให้เกิดโพธิญาณสิทธัตถะก็รักพิมพาเพื่อทําหน้าที่นี้ความรักของเรายิ่งใหญ่ก็จะเกิดโพธิญาณเพื่อช่วยโลกคนันเดินไปไม่ได้ดอกนอกจากสิท ธ, ธัตถะและพิมพาที่เกิดผุขคนพบปลุกเบิกพวกเราก็เลยไม่ต้องไปอย่างนั้น ไม่ต้องบุกเบิกขนาดนั่นมามาเถอะไม่ครอบไม่ครัวไม่ผัวไม่เมียไม่มลกูกไม่หลานก็ให้มันเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวบูดรัญาสามีของตนของต น, งตนให้เราเย็นเย็นให้คนอื่นเย็นลงเราเย็นถ้าเราหยุดคนอื่นก็เย็นก็หยุดตามเราได้นี่จึงว่าโยนิโสมนสิการมีสทธา มาได้อยู่ที่สุขโตอยู่ที่น้อยที่ทํางานที่บ้านที่แต่น้นหน้ น, นทางทาไปศึกษาไปในโลกนี้มันมีอยู่ดอกจะไปมองในโลกใ้แง่ร้ายพอเห็นพระชองเก็หมดหวังพอสองกินหลอกพอสองทําไม่ดีไม่งามไม่เป็นวิสัยสมัมวนาพ อ, อย่าไปฟพงเกิดเหมือนดาย คนเบื่อหน่ายพระสงฆ์เพราเลยไม่อยากคบกับพระสงฆ์ไม่อยากเข้าวัดเข้าวาวางทีมันมีอยู่คิดเผื่อไหว้คนดีคนร้ายก็มีอยู่ในโลก <c oughs> วัดก็มีทั่วทั่วไปจะไปจนใจไม่มีอะไรก็ทําไว้ในใจกบบัณฑิตคือตัวชีวิตเรามีสติ หยุดเย็นวางปล่อยอบค้นพานคือความช่วยไลย่คิดไล่พูดไล่ทำไล่นหนดไงไอ้บัณฑิตในตัวศาสนาธรรมในตัวอัตพิประสงค์ในตัวนวัตถิก็สวรในน้อยในตัวนิพพานในน้อยในตัวตไว้ให้มันไกลเกินไปสวรลในน้อยก็มีความสุขมาสํารวมลง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 สวรรค์ลังคามงแฝกกระตุกน้อยน้อยลังคามงแฝกกินปลาแดกขาดในถ่ายหน้าไม่สวรรค์ได้หลังกันความสุขทางใจไ ม, ไม่โพ้ความไม่พ้นพันมีแต่เม็ดมีแต่เพื่อนลูกเต่าเราล้านชามีปัญญาสวรรค์ น, น้อยน้อยอย่ากมันไกลเรากันไปของเท่ไกลมันเอื้อมไม่ถึงอย่าไปเอื้อมไกลโบราณท่านว่ามีสิบเบีย้ยอยู่ฝากหน่ำเจ้าจะเอากระนึ่งหา สสลึงในมือเหาเจ้าเก็บเอาไว้พอใจปะละเอนเคยละเอนป ะ, ะนะลำโบราณร้อยปีพันปีเนี่ยนี่สลึงเพิงมันจบให้ครบบาทสิบเบียอยู่ฝากนา้ําอย่าอา่าวขั้นหนึ่งหาสองสลึงในมือให้เจ้าขัวเอาได้สิบเบียอยู่ฝากนา้ําพุญเดิบนบนวุ่นสํานักปฏิบัติทําดี อาจารย์แจ้งเป็นพระอรหันต์เป็นผูมีตาทิพอ์ไห้แห่กันไปมันไกลเกินไ ป, ไปเราก็ไม่ได้อะไร <c oughs> อันนี้เราก็แห่กันไปดูพระแก้วแก้วเออแห่กันไปบอกอยู่ก็ไม่เอาน ะ, นะไปไหว้พระแก้วศาสนาวัตถุศาสนาธรรมอยู่ในตัวแก้วคือรัทนะให้มันงาม พระทธธรรมผสมพระพธรรมลู่ตื่นเบิกบานแก้วให้ลู่ให้ตื่นให้เบิกบานพระธรรมก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญากําจัดกิเลสได้บ้างอ่าโครธอย่หลงอย่าทุกข์ให้มีได้บ้างให้เมตเหลี่ยมไหวตัวยังบ้างมีสติบ้างพระธรรมมีเมตตากรุณาบ้างนี่คือพระธรรมเป็นรัตตนะ พระสงฆ์คือปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบั ต, บติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรนำทำหน้าที่หถ่รงควรตรงต่ออะไรตรงต่อศีลตรงต่อธรรมตรงต่อบุคคลสามีก็ตรงต่อภรรยาภรรยาก็ตรงต่อสามีตรงต่อศีลต่อธรรมนี่ยพระสงฆ์แต่ถ้ามันไกลตัวแต่ของที่มันไกลตัวมันเอื้อมไม่ถึงมันใช่ไม่ได้เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุภิกษุณีผู้นั่งใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าหายใจเข้าก็ระยินหายใจออกก็ระยินรู้อยู่ใกล้ๆพรัสตาไตพุทโธพุทโธรู้ตื่นเบิกบานอย่าไปใกลเกินไปอย่ใช้พม ก, ก็โอ้ยนั่นละสุขโตนั่นละเดอ้อสุขโตคือไปดีมาดี ดี๋ยวไปดีไปทำงานก็ไปดีกลับก็กลับมาดีทำอะไรก็ทาดีสุกโตคือผู้ที่ไปดีมาดีไปดีแล้วมาดีแล้วไม่ทุกห์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียเบียนคนอื่นไม่ใช่สุกโตอยู่ที่นี่สุกโตอยู่ที่นี่ก็เป็นอันหนึ่งเป็นสถานที่เป็นวัตถุแต่ถ้ามาแล้วอาจจะไม่ถึงสุกโตก็ได้ยังมาไม่ดีคนมาสุกโตก็ไม่เยอะแยะ มารับวก็เครื่องขยายมาแล้วก็เครื่องตัดย่าแต่ไม่ใช่นะตบมาดีศุขะโตมาดีจริงๆพวกเราที่มามาก็ไม่มาเฉยๆเอาอาหารหวานคราวมาช่วยบางคนก็มาสร้างกติมาสร้างโน่นสร้างนี่ไอ้พวกเราได้รับความสะดวกเรียกว่าศรัทธาเจ้าภาพคุณก็มีนะหลวงพ่อก็ไม่ลืมสักทีเลย ัท่าเจ้าภาพทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้มาทําบุญสร้างวัดสร้างว่ า, า, วาปฏิบัติธรรมได้รับความสะดวกเนี่ยไม่มีอะไรก็หามาหานนท์อันนี้มาให้หานนท์อันนี้มาให้ชั น, น, น, ใ, หนให้พรบให้ชานข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนํามาเนี่ยศรัทธาไม่ใช่เล็กน้อยนะศรัทธานะ่ยเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์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 อาการเจริญสตินี่ให้มีหลายๆอย่างแนวร่วมเครื่องมือเพื่อที่ให้สติงอกงามเราก็ทําโดยตรงแหละปตินั่นงสร้างจังหวะเดินจองกรมหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเอาอะไรในกายในใจเรานี่มาพลิตเป็นวัสดุอุปกอบผลิตความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัว ลูกตัวทั่วพร้อมลูกตัวเป็นหน้าโลกพร้อมที่จะลู้ 5? ไม่ใช่ <7? S 1> พร้อม <ๆ S 1> ที่จะหลงพร้อมที่จะลู้น่ะทางตาเห็นลูกก็พร้อมที่จะลู้สึกทางหูได้ยินเสียงก็พร้อมที่จะลู้สึกเวลาใจมันคิดก็พร้อมที่จะลู่สึกสายตาเห็นงูมาก็พร้อมที่จะลู่สึกที่จะหลบมัน อะไรที่มันไม่ดีก็หลบเหอะไรที่มันเป็นความชั่วก็หนีชั่วไปทําดีหลบของที่ไม่ดีไปทำความดีแล้วว่าลู่ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สร้างแงหวะาลู่แต่สร้างแงหวะาลู่สึกตัวทั่วพร้อมสร้างจังหวะอย่างเดียวเห็นหลายๆอย่างเห็นเวทนาเห็นความคิดว่านั่นพร้อมที่จะลู่พร้อมที่จะกลับมามันหลงพร้อมที่จะกลับมาความลู่ มันผิดพร้อมที่จะกลับมาหาความถูกมันทุกพร้อมที่จะกลับมาหาความใหม่ทุกเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทําอย่างนี้สติเขา ง, งอกงามแล้วไม่จนง้มเลยมาเราทํำนาล่ะก็มีผีมือก็เป็นหมอก็มีผีมือคนไข้มาอพร้อมที่จะหายลองพ่อกินยาเอ่แก้แผลที่หมอให้เขาเจอว่าดีขึ้นดีขึ้นจะต้องชั้นอีกไหมเนี่ย ไม่ฉันได้ไหมเอาเม็ดเดียวก็พอนะเม็ดเดียวพอไหก็ดีขึ้นแล้วเมดต่อยเหลือยเม็ดต่อยคิว่าดีหรือไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบกว่าเปอรซนแล้วตอนกินเหอเนาะเอาเม็ดเดียวเขยพรุ่งนี้อีกเม็ดนะพรุ่งนี้อีกเม็ด เอาพวกนี้เนาะวันนี้ไม่เอาเนาะเอาพวงนี้ตอนฉันข้าวเสร็จแล้าแล้วนี่พวกนี้ก็จะมีพระมาทั้งสิบกว่าลูกนะระเดินตรงมามาแวะพักปฏิบัติธรรมอยู่กับเราสักสองสามสี่วันเราอาจจะปรักกฎด้วยกฎกติที่ไหนก็ได้คอยดูแลพวกเขาด้วยมอจากอำเภอจตุรหลักวัดอป่าอะไร แ ล, <c oughs> แล้วก็รู้ว่าวัดเราคืออะไรตรงไหนก็ก็มาอนะะมาอยู่สิบกว่ารูนะตรงนี้นะอาจจะมาวัาเราไม่ต้องเลยฉันเ ช, ช่าฉันเ ช, ช่าเขาฉันแล้วจึงจะมาเพนเขาก็ไม่ฉันแต่วันที่วันบูรีนก็จึงค่อยฉันเป็นไปเวนธรรมบัติ ถ้ามาอยหวานก็ได้ถ้ามากันหนกมากอี๋ยวนี้ก็มีลงทานคนเดียวคนที่เรียนอบางทีก็พวกเราก็ช่วยกันพระก็ช่วยกันแต่ก่อนนี้หลวงพอเสถียร น, นะทำครัวเก่งเก่ง อยู่เดี๋ยวนี้ไปอยู่มหาวันก็จะชวนท่านมาอยู่นี่ก็ไม่รู้หายไปไหนอีกทําครัวจ้งจงจ้องจอ ง, จงมีอะไรก็อยากให้ฉันทำอะไรก็อันนี้นดีอันนี้ดีอันนี้ดียกไห้โยมยกไ ห, ห้พระอ่าฉันเทอะฉันเถอมีน้ําใจหลวงพ่อจะเถียนนะแต่โยมกลัวบาปไม่บาปไม่บาปไม่บาปหลวพ่อจะเถียนบาปไม่บาปไม่บาปมันเป็นบุญนี่ะช่วยทัานช่วยทัานช่วยทันก็จะเถียน เกิดลุนดาวคราวเดียวกับหลวงพอ่อแต่ว่าแข็งแรงกว่าหลวงพ่อมากโน้หอยไปไหนว่าจะเอาขึ้นมาเยอะสุดๆแต่ว่าไม่ใช่มาใช่หรอกท่านท่านพอใจทํำไมเนอ่ยหลับไฟป่าเชวยกันใช่ไหมก่อนโอ้ยหลวงพ่อจะเถียนดับไฟป่าคราวหนึ่งสองคนสองลูกแต่จะไปเลี้ยงแควบ้านก็ไฟมันก็มาหนักเข้าหนักเข้าสู้สององอ์ แล้ก็พ่อเจียนครับเรียกกันอยู่ไรด้วยคนมันท่วมไม่เห็นเลยแล้วพ่อเจตียนก็เรียกลองพ่อครับจะได้ไหวไหมไหวไหมทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆไหวไหวไหวดับไปดับไปดับไปอะไรก็ไม่รู้ฝนตกลงมาเลยโอ้ไม่ได้ดับไฟขนาดดับไฟร่อนๆอ่าฝนตกลงมาเลยจัง เหมันก็เทพเจ้าเทพดามาช่ว ย, ยนั่นแหละแปรกเลยวันนี้อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วออกมาทางนอกเนี่ยฝนก็ไม่ค่อยหนักอยู่ในปา่าหลังหอไดหลังเก่าไปหน่อยโอ้โถไฟนี่มอดทันทีเลยถ้าไปทางนั่นก็ดีเนาะในหน้านี่ก็ผลลุกเหมือนกันนะ ไม่ครัว่านักศึกษาวิทยาเกษตรจะมาวันที่สิบกลุ่มหนึ่งสิบเอ็ดกลุ่มหนึ่งเขาอยากมาทําบุญแล้วก็มาช่วยวัดจะให้ทําอะไรให้จันสวทัดจันทรงศีลเพวกเราจารันเทาจันอโนดจันยอดเอคอยดูแลพสอนงานให้เขาแต่มาถามผมผมผมก็ไม่ได้ เอาแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ไม่กล้าสั่งพาก็ทำแต่พวกนี้จะมีพระมาสิบกว่าลูกจะให้ประกกบหรือจะให้อยู่กติกติพ่อว่างไห้สิบกวนะ่าหลังไหนมีไหมเดี๋ยนี้ไม่พอเนาะไม่ใยอะพ อ, อะวันนี้ก็กลับพระสองดัด <c oughs>